นานมาแล้วในเมืองเล็กๆ เ, เมืองหนึ่งที่มีช่างทำของเล่นคนหนึ่งชื่อเจพเพโตเขาเคยทำของเล่นไม้และขายมันเด็กๆทุกคนนั้นชอบเล่นของเล่นเขามากๆเจพเพโตอยากจะมีลูกของตัวเองเสมอวันนี้ฉันจะสร้างหุ่นเชิดสุดสวยที่ฉันจะปฏิบัติเหมือนกับลูกตัวเอง เจเปตโตตามหาไม้สวยๆในป่าและอีกไม่นานก็เจอไม้สนสวยๆเล็กๆ อ, าาอาาันหนึ่งอ๋หนีไงที่ฉันตามหาพอดีเจเปตโตเอาท่อนไม้แบกขึ้นหลังเหมือนกับลูกของเขาแล้วก็เดินกลับบ้านเขาเอามันวางไว้บนโต๊ะและเริ่มสลักด้วยฝีมือของเขาไม้เริ่มกลายเป็นรูปร่างอย่างแรกคือหัวของหุ่นเชิดและแขนกับขาก็ตามมา สุดท้ายเจเปโต้ก็สร้างหุ่นเชิดสวยๆออกมาได้โอ้โอ้โอเป็นหนุ่มที่หล่อมากเธอทำให้ฉันนึกถึงตัวเองตอนเด็กฉันจะไม่ขายเธอให้ใครฉันจะตั้งชื่อเธอว่าพินอกกโอตอนกลางคืนเจเปโต้ก็เข้านอนนอนกับพินอกกโอเจเปโต้หลับลึกมากเขาเหนื่อยจากการทำงานหนักทั้งวัน ท่านใดนั้นก็มีนางฟ้าปรากฏตัวจิเป็ตโตเธอได้ทำให้เด็กๆหลายคนมีความสุขของเธอฉันจะให้ของขวัญพิเศษกับเธอเพราะเธอทำดีเอาไว้นางฟ้าสบัดไม้วิเศษใส่พินอคคิโอและน่าแปลกใจมากพินอคคิโอเลือดไหวได้เขากระโดดมาที่ปลายเตียงและแสดงความเคารพต่อนางฟ้าขอบคุณมากนะครับคุณให้ชีวิตผม ตอนนี้ผมเดินได้เต้นรำได้แล้วใช่จ้าเธอมีชีวิตแล้วเธอจะต้องเป็นลูกชายที่ดีอย่าทำให้พ่อลำบากใจนะฟังเขาให้ดีถ้าเธอเป็นเด็กที่ดีฉันจะให้ของขวัญพิเศษกับเธอโอ้จริงหรอครับผมจะดีกับพ่อผมเชื่อฟังตลอดเพราะเธอกำลังนอนอย่า ก, กวนเขาสิเซอร์ไพรส์เขาในตอนเช้า เจ้าถัดมาเมื่อเจพเพโตตื่นเขาเห็นพินอคคิโ อ, โอนั่งอยู่ใกล้เขามองเขาและกระพริบตาโอพระเจ้าคุณเถินของฉันมีชีวิตพินอคคิโอมีชีวิตครับพ่อผมมีชีวิตเจเพโตกอดพินอคคิโอไม่อยากจะเชื่อเลยฉันมีความสุขมากเจพเพโตกับพินอคคิโอมีความสุขด้วยกัน แต่ก็ได้เวลาที่พินอคคิโอจะไปโรงเรียนแล้วพ่อผมแก่พอที่จะไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆแล้วผมขอปากกากับกระดาษหน่อยครับแน่นอนพ่อจะซื้อให้นะเจเพตโตไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อเครื่องใช้เครื่องเขียนเขาเลยเอาเสื้อโค้ตตัวเองไปขายแลวเอาเงินให้พินอคคิโอเสื้อโค้ตของพ่อล่ะมันหายไปไหนโอ้โอ วันนี้ไม่ได้ใส่นะ่ะมันเก่ามากแล้วขาดแล้วพ่อไม่ชอบใส่อเอาละไปได้แล้วไปตั้งใจเรียนให้พ่อภูมิใจขอบคุณนะพ่อบายเจอกันพินอคคิโอเดินไปที่โรงเรียนอย่างมีความสุขเขาเห็นร้านค้าต่างๆผู้คนมากมายและตลาดต่างๆหลังจากนั้นเขาก็เห็นฝูงชนเขาสามารถเข้าไปดูแหวกเข้าไปว่ามีคนรุมดูอะไรกันโอ้ สิ่งที่เกาเห็นก็คือเต็นท์ใหญ่สีสันสดใสที่นั่นมีตัวตลกยืนหน้าประตูพิน OKIO ก, กำลังจะเดินเข้าประตูแต่มีตัวตลกห้ามไว้เธอเข้าไปไม่ได้นะพินค OKIO คิดอยู่ช่วงหนึ่งและเอาเงินที่พ่อให้มาใช้เอาเงินนี่ไปผมขอตัว๋วตัวตลกให้ตั๋วกับเขาพินค OKIO เลยเข้าเต็นท์ไปด้วยความตื่นเต้นที่นั่นนักมายากลก็แสดงกลอต่างๆ และมีมีปั่นจักยานล้อเดี่ยวพินอคิโอทึ่งมากว้าวที่นี่วิเศษมากเจ้าของละคนสัตว์เห็นเขาทันทีโอหุ่นเชิดมีชีวิตเธอจะไปจับมันเอามันมาทํางานให้กับละครสัตว์ของฉันฉันจะได้ไม่ต้องไปจ้างทั้งเชิดหุ่นอีกแล้วทันทีที่การแสดงจบ<า>เขาหยุดไม่ให้พินอคิโอกลับไป อย่าไปจากที่นี่แล้วเธอจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนของฉันให้ผมไปนะผมต้องไปโรงเรียนอะแล้วมาที่นี่ทําไมเล่าทํำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะฮะผมขอโทษผมก็หกพ่อพ่อให้เงินมาซื้อหนังสือแต่ผมเอามันมาซื้อตัว๋วผมจะไม่ทําแบบนี้อีกให้ผมไปเถอะนะได้โปรดเถอดนะอืม งั้นก็เป็นเด็กดีนะแล้วอยากก่าโกหกพ่ออีกล่ะเจ้าของละคนสัตว์ให้เหรียญทองกับเขาห้าเหรียญให้ไปซื้อหนังสือโอ้ขอบคุณมากนะคุณใจดีมากๆเลยพิโนคิโอเอาเหรียญไปและวิ่งไปอย่างมีความสุขระหว่างทางแมวฉลาดกับหมาป่าละโมบก็เห็นเหรียญในมือพิโนคิโอและหยุดเขาไวเจ้าหนุจะไปไหนรีบไปไหนเอ่ย ผมจะไปตลาดไปซื้อหนังสือ <c oughs> หนังสือเหรอทำไมไม่ซือ้อเบเกอร์ล่ะและไอ้ที น, นมละ่ะเอามันมาแบ่งกันก็ได้อร่อยดี <c oughs> เอ่อเอ่อผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นไอ้นี่มันโง่นะปล้นมันได้สบายจับบังเลยแน่นอนเธอทำได้เธอไม่เหรียนทองห้าเหรียญเอามันไปปลูกต้นไม้ผลิตเงินจะโตขึ้นมา โอ้เป็นไปได้ด้วยเหรอแน่นอนสิตามฉันมาเลยฉันจะพาไปที่ที่ทำให้เราปลูกเรียนได้พี่โนคิโอเชื่อและตามแมวกับหมาไปหมาก็หนีไปโดยที่พิ่โนคิโอไม่รู้ตัวหลังจากที่เดินมาได้สักพักพวกเขาก็ไปถึงฟาร์มแห่งหนึ่งโอ้ฉันวันนี่ล่ละถูกที่แล้วพิ่โนคิโอขุดหลุมเอาไว้ เขารีบเอาเหรียญทองหยอดลงไปในหลุมและผมดินทับต้นไม้จะโตและผมจะได้ซื้อหนังสือกับโค้ดให้พ่อผมจะซื้อเบอร์เกอร์กับครีมนมให้คุณด้วยไอโง่เอ้ยไปซะนี่คือเหรียญของฉัน<ม><ม>พี่นกกี้โอ้กลัวแล้ะรีบ<อ>ลงไปในหลุมใหญ่หลุมหนึ่งแมวแมวช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย มันคือกับดักที่หมาขุดเอาไว้คิดว่าฉันจะช่วยกกเหรอไองโง่เอ้ยไองโง่แมวกับจิ้งจอกเอาเหรียญออกจจกหลุมแล้วหนีไปพี่อนคิโอถูกทิ้งไว้คนเดียวฉันทำอะไรลงไปฉันเชื่อคนผิดฉันไม่ฟังพ่อเจ้าสองตัวนั้นเลยหรอกฉัน ฉันควบขัวแล้วท่านใดนั้นนางฟ้าปรากฏตัวกิรอะไรขึ้นพิโนโิโอเธอหล่นลงไปในหลุมได้ยังไงผมผมจะไปซื้อหนังสือเรียนแต่ว่ามีสัตว์สองตัวมาหลอกผมทำให้ผมตกลงหลุมแล้วก็มวยเหรียญทองของผมไปทันทีที่เขาพูดแบบนี้จมูกเขาเหาว่ขึ้นเรื่อยๆ เออจมูกผมเป็นอะไรทําไมมันถึงยาวขึ้นเพราะเธอโกหกจมูกของเธอจะยาวขึ้นในแต่ละครั้งที่เธอโกหกพินอกกีโออายและพูดความจริงกับนางฟ้าตอนที่เขาเริ่มพูดความจริงจมูกของเขาจะเป็นปกติทันทีตอนนี้เธอพูดความจริงแล้วฉันจะช่วยเธอให้เธอกลับไปหาพ่อ นางฟ้าสะบัดไม้วิเศษใส่พินอคิโอและเขาก็ออกมาจากหลุมได้ขอบคุณนะครับคุณนางฟ้าขอให้เจริญเป็นเด็กดีอย่าโ ก, กหกอีกนะพินอคิโอเดินกลับบ้านระหว่างทางเขาเจอกับโรมิโอเพื่อนของเขาเดี๋ยวเดียวพินอคิโอจะรีบไปไหนน่ะไปกับฉันฉันจะไปแดนของเล่นแดนของเล่นเหรอ ที่ไหนน่แล้วทำไมฉันต้องไปมันเต็มไปด้วยของเล่นขนมช็อกโกแลตที่นั่นพ่อแม่จะไม่ด่าว่าเราไม่มีใครกวนเราตอนเล่นของเล่นไม่ต้องเรียนหนังสือด้วยฟังดูดีนะไปกันเถอะพินอคคิโอตามเพื่อนของเขาไปไปที่แดนของเล่นพินอคคิโอกับโรมิโอเริ่มกินขนมเย้ <Yeah! S 2> พวกเขาอยู่ที่แดนของเล่นอยู่หลายวันวันหนึ่งพิโคกิโอรู้สึกว่าร่างกายเขาเปลี่ยนไปเขามีหางกับหูยาวเหมือนลาเออร่างกายจะเป็นอะไรนี่มีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับที่นี่นะเขาเห็นชายขี่ลาจากระยะไกลเร็วสิ เ้าจะพาพวกแกไปขายที่ตลาดเจ้าหน้าโง่พินอกก้โอรู้ว่ามันเป็นการหลอกลวงแดนของเล่นนั้นถูกคุมโดยคนขายลาชั่วเขาจะเอาขนมกับของเล่นมาล่อเด็กแล้วเปลี่ยนพวกเขาเป็นลาเอาไปขายในตลาดเขาเรีบวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีให้เร็วที่สุดเขาได้ยินเสียงซุบซิบตอนไปถึงตลาดได้ยินเรื่องเจเป็นโตไหมเขาตามหาลูกชายเขาทั่วหมู่บ้าน เขาหาไม่เจอเขาเลยออกทะเลไปหาพี่น็อกกีโอฉันได้ยินว่าเออเดยเขาหลบกลางพายุอะนะเศร้านะหลังจากได้ยินแบบนี้พี่น็อกก้โอเลยเศร้ามากรู้สึกผิดมากเขาเลยวิ่งไปกระโดดลงทะเลไม่กลัวที่จะจมน้ำเลย ทันทีที่พินโนคิโอกำจัดความเห็นแก่ตัวของตัวเองได้เขากลับมาเป็นคนเดิมหางหายไปหูยาวก็หายไปและเพราะว่าเขาทำมาจากไม้เขาเลยลอยน้ำได้เขาว่ายน้ำโดยไม่รู้ว่าไปที่ไหนตอนที่เขาไปถึงกลางเทะเลวานยักษ์ก็ปรากฏกลัว<อ>และกลืนเขาไปวานยักษ์นั่นเองฮะฉันอยู่ที่ไหนอะในนี้มืดมาก โอ้พ่อผมทำอะไรลงไปนะผมอยากจะเจอพ่ออีกสักครั้งแน่นอนลูกพ่ออยู่ตรงนี้พ่อพี่นอคกโออืมพ่อลูกกอดกันขอโทษพ่อผมโกหกพ่อและเอาเงินไปดูละครสัตว์พี่นอคก้โอบอกความจริงกับเขาทุกอย่างไม่เป็นไรลูกพ่อให้อภยัยเราไปจากที่นี่กันเถอะนะ แต่จะยังไงล่ะพอพ่อมีกล่องไม้ขีดใช่ไหมมีและเรามีซากเรือมากมายลอยในท้องวานใช่พ่อจะจุดไฟจากข้างไหนและเอาปลาที่วานตัวนี้กินขึ้นมาย่างเราจะได้รอดออกไปโอเคเราจะต้องจุดไฟจุดไม้ในท้องของมันควรจะได้ทะลักจมูกของมันกับหลอดลมของมันด้วยไอเดียดีพี่นกขีโอ้พ่อน้าจะลองตั้งนานแล้ว พวกเขาเก็บไม้จำนวนมากมาจุดไฟเปลวไฟใหญ่ควันดำก็เกิดขึ้นวานเริ่มแสบท้องมันเลยสำลักออกมาและปล่อยพีนโนคิโอกลับเสพไต้พวกเขาว่ายน้ำไปที่ชายหาดพีนนคิโอลูกช่วยเราไว้ผมเป็นลูกพ่อมันคือหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องพ่อพ่อภูมิใจในตัวลูกตอนนั้นนางฟ้าก็ปรากฏตัวพีนโนคิโอ เธอพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นคนดีเธอช่วยพ่อเอาไว้ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะให้ของขวัญพิเศษกับเธอเธอไล่มนใส่พินนคิโอเออมีอะไรกำลังเต้นในตัวผมผิวผมด้วยโออหัวใจผมเต้นหัวใจผมเต้นอนางฟ้าคุณให้ลูกชายกับผมขอบคุณนะครับ เธอทำดีมาตลอดนะถ้าเธอทำดีจักรวาลจะให้พรเธอเสมอหลังจากนั้นพีนโนิโอกับเจเพตโตอยู่กันอย่างมีความสุขและทำของเล่นให้เด็กๆมากขึ้นไป